ตอรหโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัตสาภะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัตสภะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธา กอนอบน้อมแด่พระผู้มีพาาระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นบัตนีีถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้ดูหลวงพ่อเพชรหรือหลวงพ่อเชียงแสนในหน้าพระของเรานี่มีหลายองค์คือท่านเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้าย เท่านี้การนั่งก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาตั้งสัตธิฐานลงไปว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมจะเป็นผู้มีสติคอยระวังจิตไม่ให้คิดไปตามอารมณ์ภายนอกการปฏิบัติบูชาภาวนานี้ ไม่มีเฉพาะแต่ว่านั่งขับสมาธิเพชรหรือนั่งสมาธิเท่านี้ยังมีวิธีเดินจมกลมการเดินจมกลมนั้นท่าในแผ่นดินก็เรียกว่ากำหนดทางสั้นยาวตามต้องการของตอนแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายละโลกถึงคุณประพุทประธรรมผระสงค์ แดะกนุกบริกรรมพุทโธภายในจิตใจเหมือนกันกันกบนั่งสมาธิทาการเดินจมโรมีเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญอย่างหนึ่งคือว่าเส้นสายของคนเหล่านั้นถ้านั่งมากก็ไม่ค่อยสบายดีทนจงนึงมีการเปลี่ยนอิดิยาบทยืน เดินเดินนี่แหละดีเพราะว่าเส้นเอ็นมันจะได้ยืดเส้นยืดสายโดยเฉพาะกีเลิหยาบหยาบถ้าเราเดินจมกลมแล้วไม่ค่อยมาลดกวนอย่างว่าถีนวิทธะความล่วงเหงาเหานอนถ้าเดินจมกลมแล้ว ไม่มาใกล้เพราะว่าถ้าเกิดหลับในทางจมกลมก็จะเียสะโดนต้นไม้บ้างถ้าเป็นถนนสูงหน่อยก็มักจะพลัดตกลงไปการโดนนี่ก็ให้้าพากันฝึกหัดมีเวลาแล้วให้เดิน ตนอบายทาจิตทำใจให้สงบระงับได้เหมือนกันแล้วเราทุกคนให้ระลึกให้ได้ว่าการที่เรามาเล่วมใสในทางพุทธศาสนาจนกระทั่งได้มาบรรทชาเป็นสามมนเนตได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ในทางพุทธศาสนาบายมาสมาทานรักษาศีลอุโบสถโกนผมโกนคิว้วนุ่งผ้าขาวให้ชื่อว่าแม่ขาวหรือว่าแม่ชีหรือชี หรือพวกนิสกตาไม่โกนผมโกนคิ้วเพราะเสียดายผมเสียดายคิ้วแต่นุ่งขาวให้ชื่อว่าบวดพรามานีความจริงก็คือรักษาศีลอุโบสถนั่นเอง การรักษาศีลอุโบสถจนถึงขั้นบนรรพชาเป็นสามมันเณรอุปสมบทเป็นภิกษุนั้นเป็นผู้ล่วมใส์ศรัทธาในทางพุทธศาสนาได้อุทิศตนมาประปฏิบัติสละเรื่องราวต่างๆออกไปได้ ก็ต้องการเมฆคัมมะบาลมีเมฆคัมมะบาลมีคือว่าเว้นจากตามเล่นจากอารมอย่างโลกโลกให้จิตใจเรานี่หละห่างไกลจากอารมโลกเมื่อรักษาศีลอุโบสถได้ดีท่านว่าเป็นนิสัยปัจจัยต่อเนื่องถึงนิพพาน การที่เรารักษาศีลอุโบสถขึ้นไปชื่อว่าเป็นบทบาทอันสำคัญที่เราจะต้องประกอบกธรทมสมาธิภาวนาให้ดีขึ้นไปโดยลำดับแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเรารักษาศีแปดศีอุโบสถขึ้นไปแล้วนี่ ต้นการลดละทิฐิมานะอาสวะกิเลสไม่ทำตนเหมืองขลาวาญาติโยมลดละทิฐิมานะของตอนลงไปเราว่าไม่เบียดเดียนคนไม่เบียดเดียนสัต์ทั้งหลายไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเดียนสัตว์ คำงว่าไม่เบียเดเบียนสัตว์นั้นทางกายก็คือไม่ทำให้คนให้สัตว์ได้รับความเดือดร้อนต้องยาวามทำใจของเราให้เว่นจากการอิจฉาพยาบาทกันในทางร่างกายจนถึงขั้นสหัสประหารกันหรือว่าฆ่าฟันลันแทงกันให้แต่ใครตายไปกิจกรรมอันนี้ <c oughs> ในใจของสมณสาูุในทางพุทธศาสนาจะต้องกระทำจงเว้นในใจในตัวเราทุกคนให้เด็ดขาดชื่อว่าเป็นสมณสาูุในทางพุทธศาสนาจะต้องเว้นจากบาปเหล่านี้ให้หมดไป ให้ตั้งจุดตั้งใจมีความเมตตาเมตตาภาวนาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแม้จะเป็นยงตัวเล็กๆก็ไม่ให้โกรธไม่ให้ฆ่าไม่ให้ทำลายเพราะว่าถ้าเราฆ่าเมื่อใดเวลาไหนมันก็ฆ่าได้แต่ว่ามันเสียนิสัยเสียนิสัยที่เรา สมาทานศีลรักษาศีลไม่เว้นจากฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตแต่เพราะความโกรธในใจของเราเกิดขึ้นแล้วก็ขาดสติลืมไปตบต่อยตีโยงตีสัตว์ต่างๆให้ตายไปสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปนั้นมันก็ไม่อยากตายมันก็อยากอยู่เหมือนเราเนีเ่อยากมีความสุขอยากมีความสบาย อยากมีอาหารการกินบริโภคอร่อยอร่อยอยากมีความสุขทุกอย่างทุกแกลเหมือนกันกันกบคนการเบียดเบียนกันจึงเป็นทุกข์ในโลกผู้ไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกกายก็เป็นสุขวาจาก็เป็นสุขถ้าไม่เบียดเบียนกัน ในใจก็เป็นสุขไม่คิดลายป้ายสีให้แก่กันสึ่งเหล่านี้เราถึงเวลาแล้วที่เราทุกโรกทุกนามทุกคนก็ต้องโลกละให้หมดไปสิ่งไปคำว่าพุทโธพุทโธที่ภาวนานี้ตนที่ระลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ื่อให้จิตใจของเราเลกขึ้นเลิกละความโกรธความโลภความหลงให้ได้จิตใจคนเหานี้มันเต็มไปด้วยกิเลสความโกรธมันก็เต็มอยู่ในใจถ้าเราเลิกไม่ได้ละไม่ได้ความโลภคือความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเลิกละไม่ได้มันก็เต็มไปด้วยความโลภโละ หรือลาคตัญหามันก็เต็มอยู่ในใจกิเลสความหลงกิเลสความหลงความลืมลืมนี้ต้องตั้งใจให้ดีจึงจะโลกได้ละได้เพราะละเอียดอ่อนอยู่ภายในนั้นต้องอาศัยความตั้งใจมัน่นยังว่าถึงเวลา ที่เราจะประกอบข้อวัดปฏิบัติอันใดก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความตั้งใจนั้นจะต้องสลัดกิเลสความจีดค้านมกไนดะ้เห็นแก่หลับแกนอนจะเห็นได้ว่าในเวลาถึงขาวที่เราจะต้องมาประชุมกัน ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมบางองค์ก็ถือเอาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวแล้วก็ไม่มาประชุมทำให้ขาดระยะเป็นวันวันไปก็มีอันนี้ไม่ดีแน่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะ ในกลางพรรษานี้มันเป็นเวลาที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองให้มีความก้าวหน้าไปไม่ให้ถอยหลังคือความมักง่ายความขี้เกียจในใจของเราเน่มีมากเท่าไรก็ให้ละทิ้งให้หมดมีน้อยก็รูปละให้มันหมดไปสิ้นไป ตอนบรรุกถุงพระบรมศาสตร์สดาจารสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เป็นสัพญโยพุทธะว่าท่านตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญโพธิญาณมาทั่วสอนสาวกสาวิกาตลอดจนถึงสัายาิโยมงานท่านมีความเทียมความมันความขยัน มีความอดความทนขนาดไหนการที่จะไปสู่ทางพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้ไม่มีศาสนาใดที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้เหมือนศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนาอันพุทธศาสนานี้ต้องมี บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้มีความเทียนความสา ม, มารถตั้งปฏิภาปนิธานหมายมัน่นเพื่อจะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าประสรูปเป็นพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหวังเพื่อลู้ขนสัตว์ไม่ใช่เพาะแต่ตัวคนเดียวผู้มีจิตเจตนาอย่างนั้นแหละท่านให้ชื่อว่า พระโพธิสัตว์ผู้นม่องหวังขั้วเป็นพระพุทธเจา้าแต่คำว่าพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สามขนาดปัญญาทิจจสีอสงไขยแสนมหากะดึงจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจา้านี่แล้วว่าอย่างอย่างได้ปรัตรโล่ง่ายหรือว่าปัญญาใช่ปัญญามาก พัฒาที่กาได้แก่บำเพ็นบารมีอยู่แปดอสงไขยแสนมหากจึงจะได้กลับสรุกเป็นสัรรมาสัมพุทธิจ้านับว่าเป็นเวลายาวยุดยาวอยู่มากและองค์ที่สุดท้ายให้ชื่อว่าวิริยะ ภาพเพียนพยายาม16บหกอสงไขแสนมหากัุ๊ปจงจะได้มาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์แลเราผู้บันเทนแค่ว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สะดับรับฟังแล้ว ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอไม่ทอถอยภายในจิตใจก็ได้สำเร็จมรรคผลนี่นับว่าน้อยนิดเดียวแต่ถึงกระ น, นั้นก็ตามพวกเราผู้มีความเชียอน้อยก็นับว่าเหลือวิสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่ากิเลสต่างๆนั้นมันคุกคามจิตใจมนุษย์อยู่เสมอ มันคอยดึงให้ถอยหลังไปสู่กิเลสอยู่ทุกเวลาถ้าเราทุกคนไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล่สู้ไม่ได้ต้องสู้เดี๋ยวนี้เวลานี้ได้แก่สู้ในที่ภาวนาทีเดียวคือไม่ทําตามอำนาจกิเลสความโกรธไม่พูดไปตามอำนาจกิเลสความโกรธ ไม่คุดไปตามอำนาจทีเลสความกดพยายามหักห้ามใจข้องตนอยู่ตลอดเวลามือตั้งจิตตั้งใจอย่างนี้ได้มั่นคงอยู่แล้วความกดที่มือโยก็ว่าเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปได้ความโลภ ก, ก็จะได้เบาบางไปความหลงก็จะได้หมดไปสิ้นไป เพราะว่ากิเลสตัณหานี้มากมายแต่มันก็ไปจากจิตใจนั่นเองเมือท่านนับให้ทุกท่วนก็คือว่ากิเลสนั้นมีตั้งพันห้าตัณหาร้อยแปดคือว่ามากมายนั่นเองเราจะโลกได้ละได้ก็ต้องอยู่ที่ การปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้คิดใจของเราท้อถอยและต้องมีข้อวัดปฏิบัติประกอบกระทาส่งเสริมให้มันเจริญก้าวหน้าถ้ามีข้อวัดปฏิบัติอันใดอยู่ในตัวในใจของเราสิ่งที่เราประกอบกระทาอยู่นั่นก็เป็นไปเพื่อความเจริญถ่ายเดียวไม่ ทอถอยใจคนเราที่มีความทอแท้อ่อนแอกลัวหยุดกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละนันพาให้อินทีบารามีไม่เ ก, กล้าสามารถเป็นที่จงจำตนต้องตั้งอกตั้งใจของตนขึ้นมาอย่าได้ปล่อยปากละเลย กิเลสอันใดที่เรายังอยู่ในคารวะอยากโยมนั้นอย่าเอามาใช้เอามาพูดอย่าเอามาทำตรงโลกทิ้งให้หมดตั้งแต่เรามาอุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาแล้วเราจะต้องทำความเทียนภาวนาเข้าไปเพื่อขดลากแก้วกิเลสในหัวใจให้หมดไปสิ้นไปในภพนี้ชานี้ให้จงไดบ ไม่ต้องตั้อลอ่าเมื่อนั่นเมื่อนี้ไม่ทันกาพวนาวันไหนคืนไหนเวลาใดอเอาจิตใจนี้จนสงบระงับถอนลาแก้วกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันบองอยู่ในสันดานให้หมดไปสิ้นไปทีละน้อยละน้อยอย่าไปคิดว่ากิเลสมันโลกไม่ได้ละไม่ได้ เราไม่ภาวนาไม่พิกรสาราให้รู้ความจริงมันก็โลกไม่ไดละไม่ได้นล้นแหล ะ, ละคือมันไม่เห็นถ้าใจมีความสงบตั้งมั่นลงไปต้นดวงหนุนดวงเดียว อ, อ, อยู่ในใจแล้วคดโออยู่ในดวงใจแล้วก็จะมองเห็นได้ทีเดียวว่ากิเลสนั้นมันอยู่ภายในใจหลงถ้าใจมารู้ตุกสำลนกว่า ไม่ดีไม่งามแล้วทีโลตเหล่านี้มันก็หายหน้าหายตาไปจึงจันตนต้องพากันให้พากันลุกขึ้นในใจตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาได้มีความทอถอยคำว่าพ่อแท้อ่อนแอคือว่ามันคอยหาเหตุที่จะให้อ่อนแออยู่เสมอ จะคุดอะไรก็ไม่กลา้าทิพภาวนาปล่อยให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาจู่ปนอยู่ในจิตในใจจนกระทั่งหาเวลานั่งภาวนาไม่ค่อยจะได้หาเวลาสงบจิตสงบใจาภายในไม่ค่อยจะได้ก็มักจะอ้างว่าไม่มีเวลาอันเวลานั้นมันขึ้นโยกับ <c oughs> ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อความตั้งใจเรามีย่อมมีเวลาทางนั้นแล้วก็ให้ใจเรารู้คุณค่าแห่งเวลารู้คุณค่าแหง่งการปฏิบัติดีปฏิบัติทชอเป็นไปทส่วทางพ้นทุกข์พ้นทุกข์้นร้อนพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสาร ยิงเป็นหน้าที่ของคนเราทุกคนจะต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆถ้าเราภาวนาได้เป็นไปได้ความสุขกายสบายใจของเราผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นก็เป็นสมบัติของเราเองตนมรรคผลมิพานให้เรามีความสุขความสบายเอง เรานั้นไม่ต้องคิดไปให้มันมากตั้งใจลงไปว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าธรรมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงสาวกมีอยู่ในพุทธศาสนานี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดมีอยู่ตลอดกาลแต่ว่าใจของเราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆ ไม่ให้จิตละเพื่อบุนวายภายนอกต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมาสงบตั้งมามาลูกจักรลูกแจง้งลูกจริงอยู่ในกายคือตัวนี้ในใจคือในจิตใจผู้รู้ผู้ภาวนาพุทโธอยู่นั่นเองให้จิตใจดวงนี้มีกำลังมีความสามื่ออาปฐาน ไม่ต้องข้อแท้ตั้งใจของตนเองให้หนักแน่นหมวนพูนพสุธาหน้าแผ่นดินถ้าเราทุกคนตั้งใจให้มัน่นหมวนกับแผ่นดินแหละทำได้ปฏิบัติได้ไม่หลวมีสยัยดูเผินแผ่นดินจะมีอะไรอะไรมาหนักหน่วงขึ้นมาอย่างไรแผ่นดินก็โยเป็นแผ่นดินดังเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลงปต่การใดเขาจะบุดาเขาจะเอาไฟเผาแนมลถอะไรก็ตามแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวก็โยเป็นถืนแผ่นดินไทยอยู่ตลอดเวลานี่แหละอันการปฏริบัติธรรมก็คือว่าทำใจให้สงบตั้งมัน่นจนไม่หวั่นไหวเมื่อใจสงบตั้งมั่นได้แล้วจะ ก, กำหนดพิจารณาอะไรก็ ได้ทางนั้นเพราะว่าจิตใจมีอยู่ในจิตในใจทุกๆคนใจนั้นไม่ต้องแปรหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันลนะอย่างคนสัตว์ไม่มีจิตใจนั้นเต็มชาติรู้มีอยู่ในตัวในใจของคนเราทุกๆคนถ้าเราดูก็เหมือนกับว่าไม่มีแต่วันมีอยู่ตลอดกาล มีจิตใจดวงผู้รู้โยภายในนี้แหละร่างกายสังขารนี้จึงยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปลาัยได้ถ้าจุดนี้ไม่มีแล้วโลกประขันร่างกายอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรหมุนท่อนกลวยเหมือนท่อนไม่ธรรมดานั้นแต่เมื่อจิตใจมีโยอย่างนี้ จงตนทางที่เราจะต้องเอาจิตใจมานึกมาเจริญภาวนาไม่ให้ใจมันล่วนลอยล่วไหลไปที่อื่นคุโทโธพระพุทธเจ้าอยู่ภายในธรรมโมพระธรรมมีอยู่ภายในสังโคพระอริยสงสาวกมีอยู่ภายในในกายในจิตของเราเข้าไปนี่แหละ จงรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจให้ได้ไม่ป้องวันไหวสันสะเทือนรุ่มหลงมัวเมาไปตามกระแสแห่งอารมณ์ีเละไม่ให้ใจลหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจขีเละควรขวายามเพ่งลงอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้ จนไม่มีความชั่งเคอะุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสามโมหะเมตบริกรรมภาวนาพุทธโธอยู่ในหัวใจขั้งกลางวันกลางคืนยืนโดนนั่งนอนทุกอิริยาบทเมื่อทำได้เต็มที่เต็มฐานแล้วจิตใจนี้ก็จะมีที่พึ่งได้เรียกว่าสรณะที่พึ่งใจเมื่อมีที่พึ่งภายใน ภาวนาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในใจมีที่พึ่งภายในแล้วจะนั่งจะนอนจะโยนจะเบนิจเบนจะไปจะมาพูดจะปราศัยอะไรก็มีสติสำไตรย์อัญยะมีภาวนาอยู่ในหัวใจไม่ปล่อยให้อำนาจคลายตาเข้ามาทับถมจิตใจของตนรัอกว่าเพียนพยายามอยู่ตลอดเวลา น่งก็ทีนละมัดระวังรักษาใจตัวใจของเราด้วยสติปัญญาตัวใจของเราขึ้นมาในคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในใจของเราให้มีพระประจําโยภายในจนไว้กิเลสความเสียค้านทอถท้อยในใจนี้ออกไปได้หมด จิตใจก็สว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวภายในใจได้ทุกเวลาเพราะว่าจิตใจโมหะอวิชชาตันหาถ้าเราไม่ส่งเสริมไม่ต่อโตมันก็สงบระงับไปแต่ถ้าคนใดไปต่อโตนส่งเสริมเข้าไปกิเลสราคะโทสะโมหะนี้มันยังมีน้อยหนึ่งก็ตามมันก็กำโลกเกิดสารขึ้นมาเป็นมากมายได้ <c oughs> นั้นจีขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้จงพากันเลิกละยาได้ส่งเสริมถ้าเสริมสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วเหตุการณ์น้อยนิดเดียวมันก็กลายเป็นมากมายหลวงหลายเพราะไม่เลิกไม่ละกิเลสราคะกิเลสโทสะในหัวใจของตนออกไปกิเลสราคะโทสะโมหะนี้ มันอยู่ในตัวมันอยู่ในใจมันอยู่ภายในถ้าใครไม่ปฏิบัติบูชาภาว น, นาก็มองไม่เห็นเลยเพราะมันอยู่ในที่มืดไม่แจ้งสว่างเหมือนมีไฟส่องใ จ, อ ใ, ใ, จอ ใ, ใจที่มีโลหะอยู่ภายในใจที่มีโทสะอยู่ภายในใจที่มีโลภตัณหาอยู่ภายในใจนั่น มีประความทุกความเดือดร้อนตลอดเวลาเพราะว่าจิตใจไม่สงบหลังฮับถ้าใจคนเรามีความสงบตั้งมั่นลงไปนึกผุดธอในใจลมนึกกุบายทันข้อใดเลวจิตใจเราสงบหลังฮับตั้งมั่นตนสมาธิภาวนาได้จริงๆ ก็เอาอุบายนั่นแหละมาตวนจิตตือนใจของเราให้ได้ทุกวันเลยล่ะเพราะว่าดวงจิต ด, ดวงใจของคนเหล่านี้มันมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการมันก็ไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรไปได้เมื่อเรามีความเพียรความมันความขยันตั้งจิตตั้งใจไม่ทอดแท้อ่อนแอในหัวใจ นางโยก็ภาวนาได้ยืนโยก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้จนกระทั่งนอนโยยังไม่หลับก็ภาวนาได้พุโทโธในใจได้ไม่ปล่อยปะละเลยในหัวใจมีสติประครับประคองตักเตือนจิตใจดวงนี้อยู่ตลอดเวลาอย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามคนมีกิเลส คนที่มีกิเลสนั้นไม่มีทางที่จะชักชวนให้เราไปสู่ความดีได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีกิเลสราคะโทสะโมหะมากน้อยแต่การใดมันก็ชักดึงเอาบุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาให้ล่มละลายเสียหายขึ้นมาได้ ยึงจำตนต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติในขณะนี้เวลานี้ญาได้มีความย่อหย่อนทอถอยทยจงพากันลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆมรรคผลนิพพานจะปรากฏการขึ้นมาในเมื่อเวลาเราทำทุกสิ่งทุกอย่างราบลูลบริบูรณ์แหละก็ย่อมเป็นไปได้ในตัวนั่นแหละ ทุกอย่างข้อมูลบริบูรณ์แล้วก็ย่อมเต็มไปได้ในตัวนั่นแหละแต่ถ้าเราม า, าทอดแพร่ออนแอในหัวใจเสียก่อนจะทําอะไรก็มีแต่กลัวเน็ตกลัวเหนื่อยกลัวม่วกลัวหิวอยู่ตลอดเวลาถ้าจุดอันนี้มันมาตบนจิตใจของคนเราแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ยกอะไรไม่ขึ้นทางนั่นแหละ เราว่าจิตใจมันอ่อนแอทออแท่ผู้ปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาท่านไม่ไปเชื่อไปหลงกับมากิเลตจิเลตราคะโทซาโมหะมันมีอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนถ้าเราไม่ลกขึ้นไม่ตั้งใจภาวนาแล้ กิเลราคะโทสามโมหะเหล่านี้มันก็สั่งสมอบลมกันมาตั้งแต่อเนกชาติมาพบนี้ชาตินี้มันก็สั่งสมอบลมไว้ไม่ให้คนเราตั้งใจทําคุณงามความดีเต็มที่ได้มันคอยเป็นอุปสรรคอยขัดข้องอยู่ตลอดเวละเมื่อมาถึงเวลาเราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษ ได้พบพุทธศ า, าสนาได้สะดับรับฟังพระธรรมเทศนาอยู่ก็ให้เปลี่ยนแปลงในจิตใจของเหล่านั้นแหละไม่ให้มายึดมั่นถือมั่นในความสุสะดวกสบายแค่เนื้อหนังหมังสังจองเอาความสุขภายในดวงใจ ความสุภายในดวงใจได้แก่จิตใจนั่งสมาธิภาวนารวมเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในใจให้ได้ไม่ปล่อยตายะละเลยให้มัวเมาไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะตั้งใจทำอยู่ปฏิบัติอยู่ทุกเวลานั่งก็ภาวนาได้พุโทโธในใจได้ยืนก็ภาวนาพุโทโธในใจได้ เดินไปเดินมาที่ไหนก็ภาวนาพุโทโธอยู่ในดวงใจได้เมื่อจิตใจนี่แหละนีภาวนาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาไม่ปล่อยปะละเลยให้เสียเวลานั่งก็ภาวนาพุโทโธได้ยืนก็ภาวนาพุโทโธได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุโทโธได้ เราอยู่ในบ้านดวนสุขสบายก็ไม่หลงหลืมภาวนาตั้งใจอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจนจิตใจมีพละกาลังมีความสามารถอาตฐานภายในจิตใจนั่นแหละจะได้พากันลุกขึ้นบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานภาวนาละกิเลสละโทสะโมหะ อันมันมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในหัวใจของเราให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปตั้งจิตเจตนาไว้ให้ดีอย่าให้จิตใจประมาทคนเราเมื่อใจประมาทงอมาแล้วก็มักจะมองไม่เห็นอะไรข้างนั้นบาปก็ไม่เห็นบุญก็ไม่รู้นั่นแหละคือว่าจิตใจมันปิดบังไวไม่ให้เราเห็น เราจะต้องเปไขจิตใจดวงนี้ให้มีความผ่องใสสะอาดนั่งที่ไหนก็ภาวนาที่นั่งนั่นแหละ ย, ยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในที่ยืนเดินไปมานั่นแหละภาวนาจริงๆนั้นไม่เลือกสถานที่ภาวนาเมื่อใดเวลาไหนก็ได้ แม่มูเท่าร่างกายทำงานการอะไรอยู่ก็ตามจิุดใจก็น้อมนึกดำลึกให้เห็นได้ในใจอีกทีหนึ่งเพราะว่าดวงจิต ด, ดวงใจจะได้มีความเชื่อแล้วก็เชื่อขึ้นไปโดยลำดับมีความล้วนใสศรัทธาแล้วก็มีศรัทธาต่อเรื่อยไป เป็นการฝึกฝนอดลมดวงจิตดวงใจของผู้ปฏิบัตินั้นให้เป็นไปเพื่อความเจริญ ง, งอกงามในทางพุทธศาสนาไม่ปล่อยตะละเลยให้เป็นไตปา ต, าตามยะถากรรมเรียกว่าใจดวงเดียวนี่แหละถ้าใจดวงนี้ปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ไม่ทอถอยทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อผู้ใดมากำหนดพุทธโธก็ดีพิจารณาอันใดก็ตามทุกลมหายใจเข้าหายใจออกทำได้อยู่เสมอคิดใจนั่นก็ไม่ขาดระยะตอนื่อว่าทำความเพียรปฏิบัติบูชาอยู่ในหัวใจได้ตลอดเวลา บุคคลเช่นนั้นเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้ใ้ป่วยโรคภัยเบียดเบียนจะไม่สะทบกสะท้านย่านลัวต่อภัยอันตรายนั่นนันเพราะว่าชีวิตของคนเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชีวิตนี้ย่อมมีเวลาดับไปสิ้นไปหมดไป จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติบูชาภาวนาเดินจมกรมก็ให้เดินได้นั่งสมาธิกรรมฐานก็ให้นั่งได้ในสิ่งที่ดีที่ชอบประกอบแล้วเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งนี้เราต้องรีบทำไม่ต้องรอชา้าเพราะว่าวันคืนดวนตูนั้นมันล่วงไปดับไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลา ใจของเราผู้ปฏิบัติบูชาภาวนาในอกในใจนี่ก็จะต้องตั้งอกตั้งใจเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังกันเสียทีอย่าไปมัวต่อยปากละเลยให้มันห่างเหินปักทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจเข้าไปที่นั่นจนกระทังจิตใจบวงผู้รู้อยู่นี่แหละ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเอวเห็นสิ่งต่างๆเป็นไปในทํานองคองธรรมการปฏิบัติบูชาภาวานาของบุคคลเหล่าก็ย่อมเจริญขึ้นเป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยจงพากันตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญไปทีละน้อยละน้อยไม่ให้ขาดระยะท่านเปรียบอุปมาเหมือนมเมล็ดฝนที่ตกลงมาจากอากาศ มันตกมาทีละเมตรสองเมตรเท่านั้นแหละแต่มันตก น, น, นานๆเข้าหาที่ไม่ค่อยได้ต้องตั้งอกตั้งใจจริงๆ เ, เพราะว่าตั้งใจให้โยภายในจิตใจทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่ากิเลสตัณหาในใจิตใจของมนุษย์คนเหล่านั้นคนอื่นผู้อื่นจะไปแก้ไขให้ไม่ได้ มันเป็นื่องส่วนต้นเป็นเรื่องภาวนาของทุกๆคนจะต้องนําเข้าไปแก้ไขจิตใจของตนภายในให้ได้เมื่อไม่ปล่อยไม่ไม่ไมไมทอดทุละเมื่อไม่ทอดทุละแล้วกิจกรรมการงานในทางสมาธิภาวนาไม่จะติดต่อโนเน่องกันไปโดยลำดับนางแบบไหนก็ภาวนาพุโทโธได้ เดินแบบไหนก็ภาวนาพุทธโธให้ได้เดินแบบไหนก็ให้ภาวนาพุทธโธในใจได้มื่อใจนุกน้อมจะโลนอยู่เป็นนึกติดต่อกันไปทุกวันเวลา <c oughs> ดวงจิตดวงใจของผู้ปฏิบัตินั้น <c oughs> ก็จะมีความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาโดยลำดับลำดับผลที่สดุดสิ่งที่เราว่าทำไม่ได้ ก็สามารถทำได้สิ่งที่เราว่าพูดไม่ได้มันก็พูดได้คิดไม่ได้มันก็คิดได้เพราะว่าดวงจิตดวงใจของเรามีอยู่แล้วไม่ได้มาหาใจมาใหม่ไม่ต้องไปสู้หาเอาจิตใจดวงใหม่จิตใจดวงเก่านี่แหละ ยังนนกพุโทโธได้อยู่กงน้นและนึกพุโทโธในใจทำจิตรมใจให้พองไสสะอาดปราศจากมนตมินโทษรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจแล้วนั่งก็เป็นศกนอนก็เป็นศกไม่ไปพุกพร้อนกับบุคคลผู้ใดเพราะว่าร่างกายสังขารของเราทุกคนนี้ชราความแก่พยาตความเจ็บไข้มาละนะความตายนั่น มันขยับขยวนเคลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาโดยลำดับลำดับเราอย่าได้พากันประมาจองให้ตั้งโยในจิตในใจโยที่จุดไม่ประมาทมีสติอยู่ในจิตนี้มีสมาธิโยในจิตมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารโยในใจิตใจดวงนี้เมื่อจิตใจดวงนี้โยที่นม่ใบตลอดไป ความเจ้าหน้าในทางปฏิบัติบูชาก็ย่อมเป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติบูชานี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่เลวกว่าคฤรืหัสและญาติโยมทำได้ปฏิบัติได้ทางนั้นถ้าไม่ประมา ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเบลาเอวังก็มีด้วยประกาละชะนีสัพจิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตปวัตวันตรายโยสุขีธีขาหยุกโกภวะอะจีวาธานาสีดิสนิจังวุฒาปัยิโนยัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุ ข, ขังสาลังนาโมตัสสะภาคาวะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ได้เวลาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้เป็นการปฏิบัติบูบชา นั่งสมาธิภาวานาไปด้วยคือให้เราทุกๆคนนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ล้มไมโ่โพกจึงได้ตรัสูลเป็นพระพุทธเจา้าเนวาสเร็จโพธิญาณ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 นึกบริกรรมภาวนาพุทธโธคือน้อมนึกลำนึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในขณะที่เรานึกพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ก็ให้มีสติปล่อยวางเรื่องราวภายนอกออกไปให้หมดสิน้นความดีใจเสียใจอันใดเป็นเรื่องภายนอก ก็ให้เลิกละลอยวางออกไปให้ถือการเวลาปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นหลักถ้าเราทุกคนถือการเวลาปัจจุบันเป็นหลักการปฏิบัติจึงจะเข้าใจได้ดี ถ้าหากว่าถึงเวลานั่งภาวนาเราก็ยังคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นอยู่จิตใจก็สงบลงไปไม่ได้ก็ไม่ได้ผลประการใดฉะนั้นระเบียบพิธีที่ให้นั่งขัดสมาธินี้จึงเป็นวิธีหนึ่งเป็นการฝึกสอนใจของเราวิธีการหนึ่งคือธรรมดา จิตใจกิเลสของคนเหล่านั้นอะไรอะไรก็มักง่ายนั่งแบบไหนก็ได้นอนแบบไหนก็ได้ภาวนาได้ทั้งนั้นมันได้นั่นแหละแต่ว่าต้องไปตามระเบียบจนกว่าเราจะรู้ได้เข้าใจในพระธรรมมีัยตอนแรกๆเราก็ต้องให้มีระเบียบ เมื่อจิตใจเราู้เข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นเรื่องของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยกิเลสในใจของคนเรานั้นมันมีมากมายท่านให้ชื่อว่าสักกายญาทิฏฐิความยึดกายถือกายความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งทั้งหลายที่ตัวเองเคยยึดถือมาอย่างไรก็มักจะยึดถือไปอย่างนั้นไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมละถอนท่านให้ชื่อว่าสักกายะความยึดตัวยึดตนยึดหน้ายึดตายึดชาติยึดตระกูลยึดครูยึดอาจารย์ยึดระเบียบรรเนียมอย่างโน้นอย่างนี้ โดยที่ไม่โลกจับแก้ไขจิตใจของตัวเองท่านให้ชื่อว่าสักกายทิติวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในใจทำบุญให้ทานก็สงสัยในทานรักษาสินห้าสินแปดขึ้นไปก็สงสัยในสินของตนแค่ว่าความสงสัยนี้จะสงบระ ง, งับลงไปได้ก็โยที่ รวมจิตรวมใจของเราเข้าไปภายในไม่ให้มันเพ่นพ่านภาย น, นอกถ้าจิตไม่สงบมันก็แก้ความสงสัยไม่ได้ถ้าจิตสงบตั้งมั่นได้มันก็แก้ความยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราได้หมด จึงมีวิธีทาจิตทาใจรวมจิตรวมใจให้เข้ามาภายในคำว่าภายในนั้นหมายถึงบริกรรมภาวนานี้ก็ได้ชัวเป็นภายในหรือดูร่างกายสังขารของเรานับตั้งแต่เกษาผมโลมาขนนักขาเลธันตาฟันตะโยนเอ มังสังเนื้อนาหา루เอ็นอธิกระดูกอธิมินชังเยื่อในกระดูอาการสามสิบสองในร่างกายของตัวเองก็เอามาพินิษพิจารณาจนเข้าใจคือว่าอาการของกายนี้นั้นท่านให้พิจารณาลงไปว่าเป็นปฏิกูลคำว่าปฏิ ปูนคือของไม่งามร่างกายของเราของเขาใครก็ตามที่เกิดมาเป็นมนุษย์รูปร่างกายนี้ที่คนเราหลงคิดคิดว่าเป็นของสวยของงามของมัน่นคงถาวรความจริงไม่มีอะไรเป็นของมัน่นคงถาวรร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยน้าเลือดน้าเหลือง เต็มไปด้วยอุจยาละปัสสาวะจริงที่ปฏิกลูลทำนั้นท่านให้กำหนดลงไปในร่างกายสังขาร น, นี่ว่าเป็นของไม่งามนอกจากนี้ท่านยังให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายสังขารตัวของคนเหล่านี้เป็นธาตุดิน ถาดินก็เหมือนดินภายนอกแต่ว่าดินภายในตัวคนเรานี่เป็นดินพิเศษดินเดินได้เป็นดินท่อนหนึ่งก้อนหนึ่งก็วาได้ส่วนดินภายนอกนั้นมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นแต่ว่าดินภายในคือร่างกายของคนเรานี่มันเป็นดินเคลื่อนไหวไปมาได้ ท่านก็ให้กำหนดมาเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำนะเป็นธาตุไฟเป็นธาตุลมธาตุเหล่านี้มันไม่ได้วุ่นวายอะไรจิตใจกิเลสของเราต่างหากเา่ามันวุ่นวายเองเพื่อให้พิจนนารณาให้รู้ให้เข้าใจว่าร่างกายสังขารใน น, นอกจาก เป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกแล้วยังเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ท่านให้กำหนดพิจารณาอย่างนี้ก็ให้จิตใจผู้ภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละให้รู้ถ้าไม่รู้แล้วมันจะเกิดละเดือดร้อนสมมุติว่ามีความติดินนินทาวา่าลายป้ายสีเกิดขึ้นให้แก่ตัวเรา แล้วจิตใจมันจะเดือดรอ้อนคือไม่ได้พิจารณาว่าธาตุดินใครจะด่าก็เขาก็ด่าได้เขาจะตีจะต่อยเขาจะทํำรังไหนมันก็ทําได้ก็ธาตุดินจิตเราให้รู้เท่าทันไว้อย่าไปยึดไปถือทําใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในและ ว, ว่าสงบอยู่ภายใน ระเบียบต่างๆเหล่านี้เป็นอุบายรวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจเข้ามาภายในไม่ปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจตัณหาธรรมดาตัณหาในใจมนุษย์คนเหล่านั้นท่านว่าไม่มีที่สิ้นที่สุดนัดทิตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มี แม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังเต็มในหรือดูฝนแต่ว่าความอยากความต้องการใจมนุษย์คนเราไม่ภาวนาละ ก, กิเลสนั้นไม่มีเต็มไม่มีพอได้อย่างนี้แล้วก็อยากได้อย่างโน้นต่อไปได้อย่างโน้นแล้วก็อยากได้อย่างโน้อนอย่างอื่นเต่เป็นนั่นเป็นนี่เรื่อยไปผลที่สุดท่าใครตาม จิตกิเลสจิตตัณหาอันนั้นจะดิ้นหล่นวุ่นวายหามาให้ตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนถึงวันตายใจกิเลสตัณหาอันนั้นไม่มีเมืองพอตายแล้วก็ไม่พอไม่พอนั่นเองจึงได้เกิดมาใหม่อีกเกิดมาใหม่ก็ดิ้นหล่นวุ่นวายไปอีกอย่างเก่านั่นเองมันนัว ตัณหาของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีพอไม่มีจบไม่มีสิ้นตราบใดตัวเองไม่ภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนนท์และจึงจะพอเมื่อกิเลสออกจา ก, กจิตใจออกจากตัวไปแล้วท่านามีอะไรก็ยินดีเท่าที่นีไม่มีอะไรก็ไม่ดิ้นหล่นวุ่นวาย เพราะกำหนดได้ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้นั้นมันไม่มีอะไรทเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนดูคนเราเกิดมาทีแรกทุกคนกว่าจะได้รูปร่างกายอันนี้มาก็ต้องไปติดปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเมื่อได้มาแล้ว ความดิ้นรนในจิตในใจอ น, นันมันก็แสดงอยู่และความไม่เที่ยงมันก็แสดงอยู่เมื่อได้เก้าเดือนสิบเดือนถึงทดสมาสิบเดือนแล้วก็อยู่ไม่ได้ในท้องแม่จำเป็นต้องคลอดต้องเกิดออกมาคันเกิดออกมาแล้วถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูรักษามนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดียรัะฉนัน ถ้าไม่มีคนดูแลรักษาเลี้ยงดูให้ตายทุกลายไม่เหมือนสัตว์สัตว์บางจำพวกนั้นพอเกิดมาดิ้นรนหากินเองได้จนใหญ่โตได้คนนี่ไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงให้มีความเขารบในบิดามารดาผู้บังเกิดก้าผู้เลี้ยงดูรักษาผู้ธนุบังุงให้ตัวเราใหญ่ขึ้นมาได้ เพราะมนุษย์เรามันเป็นของเลี้ยงยากได้มาโดยยากการภาวนาการทำใจให้สงบหลังับจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นไม่ใช่ว่าคนอื่นผู้อื่นทำแทนกันได้ แม้สมัยฝัพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตเป็นแต่ผู้ตัดผู้ชี้แจงแสดงธรรมให้สาวกทั้งหลายฟังเมื่อสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลส ข, ของตัวเอง ไม่ใช่พระองค์ท่านไปละกิเลสความโกรธให้ไปละกิเลสความโลภให้ไปละกิเลสความหลงให้เราไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะนี้ไม่ใช่ผู้อื่นสร้างมันขึ้นมามันเป็นจิตใจของตัวเองเป็นผู้หลงเป็นผู้สร้างเป็นผู้มัวเมามาเอง ในโลกนี้แล้วว่าเป็นอเนกชาตินับพบนับชาตไม่ท่วนเพราะมันมาลุ่มหลงอยู่ในกิเลสกรมวัตถุกรมอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานท้งหลายจงเป็นผู้มีความภาคความเพียรความพยายามย่าได้มีความท้อถอยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ ในการนั่งสมาธิภาวนาอันอยาได้มีความท้อถอยทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนให้พากันกราบพระว่ายพระในที่อยู่อาศัยของตนนั่นแหละหว่ายพระสตดมนต์แล้วก็นั่งขัดสมาธิตั้งใจบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจให้เข้ามาสู่ความสงบระงับเยือกเย็นสบายให้ได้ อันเน่จึงเป็นขอ้อวัดปฏิบัติดีชอบในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ภาวนาอนาปารลมหายใจจนจิตสงบระงับตั้งมั่นได้ภายหลังจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันเดือนวิษาเมื่อเดือนหกเพน อันเราทุกคนก็เหมือนกันเราต้องตั้งใจทำตั้งใจประกอบอย่าไปเห็นแก่ความสะดวกสบายไม่ภาวนาไม่ได้มันเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องประกอบกระทํำว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุดินอะไรเป็นธาตุดินธาตุน้ําอะไรมันเป็นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมันเป็นอะไร เกิดมาแล้วคนยุคเน่สมัยเน่อายุมันยืนนานเท่าไหรต้องกําหนดพิจารณานะไม่ใช่ว่าแกชลาแล้วก็ภาวนาไม่ได้ยิ่งแก่ยิ่งชราเท่าไหร่ก็ยิ่งภาวนาเพราะว่าความตายมันใกล้เข้ามาเมื่อความเจ็บก็ดีความตายมาถึงเข้าเราจะไปลองโวยลองวายให้ผู้อื่นช่วยมันช่วยไม่ได้ ช่วยได้ในนิดในห น, น, น่อยเท่านั้นเองถ้ามันจะเอาเจ็บอย่างไรให้มันถึงเจ็บไปจนตายเวลามันจะตายใครแค่ไปบนว่าให้อย่างไรมันก็ไม่ฟังมันตายเมื่อไรมันก็จบแล้วงั้นการปฏิบัติบูบชาภาวนาให้เราถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะต้องกําหนดพิจารณา ข้อแรกก็คือว่าทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้เราต้องตั้งใจข้อนี้ให้มันได้เดินจงกรมกัเพื่อให้ใจสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไหว้พระสวดมนต์ก็คือระลึกถึงคุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ เพื่อให้จิตใจของเราไดความสงบระงับนั่นเองนั่งกรรมฐานพิจารณาบทใดข้อใดก็เพื่อให้จิตใจนี้แหละมันรู้มันเข้าใจให้ถือว่าการภาวนาเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกับธรรมอยู่เนืองนิดติดต่อกันไป จนกว่าจะเข้าใจในพระธรรมพระวินัยทัพทุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆจนถึงขั้นตัดละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ว่าไปพึ่งพาอาศัยคนโน้นคนนี้ให้เขาละกิเลสให้เป็นไปไม่ได้ ใครทำมาอย่างไรตัวเองก็แก้ไขไปให้มันได้อย่ามาปล่อยปะละเลยนิ่งเฉยไม่ได้เราต้องตั้งอกตั้งใจลงไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนอยาได้ประมาทผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ โ้ได้ประมาทมัวเมาแล้วจิตใจก็เศร้าหมองกายวาจา ก, ก็เศ้าหมองไปหมดความประมาทจึงเป็นทางเสื่อมเสียความไม่ประมาทจึงเป็นไปเพื่อความเจริญการปฏิบัติภาวานานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราจะ